ในศาสนาที่เราอยู่แบบนี้เนี่ยคาสอนก็แบ่งได้สามส่วนนะส่วนหนึ่งก็เรียกว่าปริยัติส่วนที่สองเรียกว่าปฏิบัติส่วนที่สามก็เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทปฏิเว ท, ทะเนี่ยปริยัติเนี่ยก็พวก เราเรียนเขียนอ่านเนี่ยนะปริยัตการที่เราไปอ่านเป็นการที่เราได้ฟังมันก็เป็นความรู้ในระดับสัญญาความจำความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยส่วนมากมันเป็นความรู้ในระดับสัญญาสมมา ค, คือความรู้ความจำความเข้าใจทางตะ ก, กะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันผูกโยงกันยังไ ง, ง น, นะ อันนี้ก็เป็นความรู้จากทางปริยัติแต่การที่เรานําความรู้ที่เป็นปริยัติเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้เลยในการที่เราจะดำเนินชีวิตก็ถือว่ามันไม่ครบองค์อะ่ะเราจะกลายเป็นนักปรัชญาอย่างเดียวโดยถ่ายเดียวนักปรัชญามันก็เป็นทุกข์ได้นะ เราก็จะเห็นในประวัติศาสตร์นี่แหละนักปรัชญามีเยอะแยะเลยแต่ก็ยังเป็นบุคคลที่ยังมีทุกข์อยู่แต่แน่นอนแหละนักปรัชญาก็จะเป็นนักปฏิบัติโดยประมาณหนึง่งอยู่ในตัวเองอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกที่มีชื่อเสียงเนี่ยอย่างคงจื้ออย่างอะไรอะอริสโตเติลอะไรพวกนี้นะเขาก็เป็นนักปฏิบัติระดับนึงอะ แบบของเขาปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจของเขาน่แหละแต่ส่วนมากก็จะเป็นนักคิดเราก็ฟังในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำมาถ่ายทอดแต่ถ้าเรายังไม่ได้เอามาใช้นมันก็ยังได้ผลไม่เหมือนเขาเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่มันสาคัญต่อจากการที่เราได้ยินได้ฟัง แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจในใ น, ในระดับแบบตะ ก, กะนะมีการผูกโยงตามเหตุตามผลแล้วมันน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเราก็มีกำลังใจที่จะเอามาทดลองใช้ทดลองปฏิบัติแล้วก็หมั่นทมหมั่นฝึกฝนไม่ใช่ว่าทาแล้วก็เ้ยได้ขึ้นชื่อว่าแค่ทา แล้วก็สรุปเลยไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นมันก็จะเหมือนแบบเด็กสร้างบ้านนะทำนิดนิดหน่อยๆยเลิกทํานิดนิหน่อยห่อยเลิกมันก็ไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาที่มันตั้งมั่นลงไประดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีความไม่ย่อท้อมีความที่มุ่งมั่นในการที่จะทําให้มัน สัมฤทธิผลในการในการปฏิบัตินั้นๆเพราะฉะนั้นาจากการที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปฏิเวทะคือผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องสามส่วนน่น คือประยัดปฏิบัติปฏิเวทนอกจากจะศึกษาได้ยินได้ฟังได้อ่านก็ต้องเอามาหัดหัดทาด้วยมันก็เหมือนที่เราเรียนหนังสือนั่นแหละยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนพวกคนเรียนพวกที่มัน เ, เรียนการเกษตรอย่างเงี้ยไม่ได้เคยปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เลยอย่างเงี้ยมันก็เสียเปล่าใช่ ความรู้ที่มีมันก็เป็นแค่ทฤษฎีตามตำรับตำราเฉยๆก็ได้แค่คุยโม้กับคนอื่นเฉยๆแต่พอลองให้มันปลูกจริงเจอปัญหาจริงๆแก้ไขไม่เป็นก็มีไม่ต้องอะไรมากอย่างพวกวิศวกรสมัยนี้เห็นชัดเรียนโน่นจนไปถึงไหนถึงไหนอ่ะ แต่พอเอาเข้าจริงๆมีปัญหาก็มันก็น้อยอที่ว่าที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงๆจังๆเลยนะเพราะส่วนมากก็เป็นนักทฤษฎีอย่างเดียวไม่ค่อยได้หยิบจับไม่ค่อยได้ทํเพราะั้นเด็กเด็กสมัยนี้เขาก็พวกเก่งๆเขาไม่ได้เก่งๆแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเขาเก่งๆจากการที่ เขาลงมือหยิบจับที่บ้านเขาก็สนับสนุนนี่ปะแต่ถ้าเรียนอย่างเดียวมันก็เป็นนักคิดอย่างเดียวแล้วยิ่งการที่เราจะมาเป็นนักแก้ทุกข์นี่เราฟังอย่างเดียวมันยังแก้ทุกข์ไม่ได้ความเข้าใจมันทำให้เราแก้ทุกข์ได้แต่มันไม่ใช่ระดับของ ความจําตามตักกะยังมันยังไม่ใช่ไงใครๆก็รู้ว่ามีศีลเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนที่เข้าวัดคนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นคนที่ศีลห้าบริบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยอ่ะมากันเถอะมันก็ทําให้เราเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจนะเขาเข้าใจ แต่เขาไม่ได้ทำอะ่ะแต่ถ้าคนที่ได้ทำแล้วก็เห็นผลจากการที่เรามีสิลที่มันบริบูรณ์อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าเออมันดีไงชีวิตเราก็ไม่วุ่นวายมากเปรียบเทียบกับสมัยที่ยังมีสีลที่มันด่างพร้อย เราก็จะเห็นได้ว่ามันดีจริงๆและไอ้ผลของการที่ทําแล้วเนี่ยมันดีอย่างนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปเป็นกํำลังใจเป็นความเชื่อมั่นเป็นศรัทธาในเครื่องดําเนินอันนี้ให้เราอยากที่จะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอยากที่จะทําให้มันละเอียดประณีตขึ้นไปอีก มันจึงเป็นสิ่งสำคัญนะสามส่วนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่สิ่งสำคัญคือตอนที่เราปฏิบัตินี่แหละในตำรับตำรามันก็มีเยอะใช่ไหมหลายทฤษฎีหลายแบบแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้หมดหรอกความรู้ที่เรามีไม่ใช่เฉพาะทางศาสนานะ ความรู้ทางโลกนี่แหละมีเยอะแยะเลยแล้วก็เรียนมาไม่รู้ตั้งกี่หลายแบบหลายวิชาแต่พอเอาเข้าจริงเราก็ใช้อยู่ไม่กี่อย่างนั่นแหละมันก็ทำให้เห็นว่าอย่างเพื่อนในห้องเรียนมาเหมือนกันในแบบเดียวกันแต่สุดท้ายพอไปถึงชีวิตจริงแล้วมันก็ใช้ไม่เหมือนกันอนะ มันทำให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเงื่อนไขไม่เหมือนกันถึงเราจะมีความรู้เรียนมาแบบเดียวกันปริมาณที่เท่ากันแต่เราก็หยิบใช้ที่ไม่เหมือนกันหยิบใช้คนละส่วนที่มันเหมาะกับของตนของตนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าใช้ให้มันหมดก็ไม่ใช่เหมือนกันนะ เหมือนสมัยก่อนสร้างบ้านเขาใช้บ้านไม้ใช่ไหมเขาทำจากไม้อ่ะก็มีเครื่องมือหลายอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเลื่อยเป็นขวานเป็นกบสไม้อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ให้มันเหมาะจะเป็นกบสาไม้จะไปข้นต้นไม้เป็นต้นๆก็ไม่ได้มันไม่เหมาะมันก็ต้องใช้เลื่อยใช้ขวาน มันถึงจะเหมาะกันแต่อย่างสมัยนี้มันมีเลื่อยเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยวงเดือนอย่างเงี้ยเอาม า, อาไว้ผ่าไม้เป็นซี่ๆเป็นท่อนๆมันก็ตามยุคสมัยไปด้วยพอเราใช้งานเครื่องมือได้มันเหมาะกับสภาพของงานมันก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ไม่กินแรง ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ใช้ให้เหมาะเหมาะเจาะมันก็ย้อนกลับมาว่าเราต้องมีสิ่งสําคัญก็คือสติที่คอยเห็นใจของเราคอยเห็นความคิดของเราคอยศึกษามั น, นว่ามันมีอุปนิสัยยังไงด้านลบเป็นยังไงอะไรเป็นด้านลบบ้าง เรามีความคิดลบเยอะไหมเราเป็นคนขี้เหนียวไหมเราเป็นคนขี้โกรธหรือเปล่าหรือเราเป็นเป็นคนแบบขี้นินทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็ น, นว่าอันนี้คือด้านไม่ดีของเราแล้วข้อดีของเราเป็นอะไรจะเป็นคนที่ให้ทานเป็นประจาเป็นคนที่ ไม่ครุกคลีด้วยหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อดีในการที่เราจะทำความสงบได้ดีมีใจที่มันเบิกบานผ่องใสได้ง่ายใช่ก็เป็นด้านดีพอเรารู้จักตัวเองว่าข้อดีเราเป็นยังไงข้อเสียเรามีอะไรเราจรึงจะปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นว่าเราต้องระวังตรงไหนมาก ระวังตรงไหนน้อยเราต้องพยายามปรับปรุงตรงไหนให้มันดีขึ้นแต่ตรงไหนเราชํานาญเราทําให้มันได้บ่อยๆ อ, อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองมันจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะทําให้ปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันก้าวหน้าที่ดีแต่ถ้าเรารู้จักแต่ตําราอย่างเดียว ว่าเขาว่ายังไงอันนี้ยังไม่ขึ้นชื่อว่าเราปฏิบัติทาได้ดีแต่คนที่ปฏิบัติทาได้ดีเนี่ยเขารู้จักทั้งตำราก็คือเครื่องมือนั่นแหละแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยว่าเราเหมาะกับเครื่องมือชนิดไหนเพราะในตำราเนี่ยก็มีเยอะแยะหลายคนหลายอุปนิสัยหลายอุบาย ที่เราจะนามาปรับใช้ได้แต่ถึงว่าจะใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้เป็นแบบทื่อๆซื่อๆมันก็ต้องมาปรับจูนกันบ้างนั่นแหละให้มันเหมาะกับตัวเราให้มันเหมาะกับสถานการณ์ของเราอย่างวิธีคิดคิดยังไงไม่ให้เบียดเบียนตัวเองคิดยังไงให้ มีกำลังใจคิดยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงให้มันดีขึ้นเห็นให้มันละเอียดและออมมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะแต่ถ้าเราจะคอยแต่ดูแต่ในตำลาแล้วมันคือที่สุดคือทั้งหมดที่เราจะเอามาใช้อันนี้ไม่ใช่ อันนั้นตำรายใหญ่เ ข, เขาเขาเรียกว่าเป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่มันก็เหมาะกับคนหมู่มากกันแหละแต่ถามว่ามันจะถูกรสชาติถูกปากเราจริ ง, รงๆหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรอกไม่งั้นพวกร้านก๋วยเตี๋ยนี่เขาคงไม่มีพวงพริกอะ่ะอา้าวใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาใครชอบเผ็ดก็เติมพริกไปใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปใครใครคิดว่ามันพอดีแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรก็กินเลย ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำไมเราจรึงเติมเผ็ดทำไมเราจรึงเติมหวานเพิ่มเงี้ยเพราะเรารู้จักตัวเองไงว่าเราถูกกับรสชาติแบบไหนฉันได้ฉันนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็ในตํารามันเป็นเครื่องปรุงที่เขาปรุงมาแบบ ร, มรวมๆแต่การที่มันจะปรุงให้มันถูกโรคถูกกับ ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแก้ไขอุบายที่มีเราก็ต้องมาปรับเปลี่ย น, ยยนให้มันเข้ากับตัวเราเข้ากับอุปนิสัยเราให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่แก้ทุกข์ได้ดีอ่ะเขาจึงเป็นคนคนที่ พิจารณาอยู่หนึ่งเนืองพิจารณาทั้งตัวข้างนอกพิจารณาทั้งตัวเองแล้วก็คอยที่จะดูดูอย่างละเอียดละออกว่าทุกทำไมยังมีทุกทำไมมันยังกระเทือนใจอยู่แล้วอะไรเป็นสาเหตุของการกระเทือนใจอันนี้แน่สิ่งที่มันกระเทือนใจที่เราว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์ของเรามัน อันนี้จริงหรือเปล่ามีตัวนี้ตัวเดียวจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีอีกหลายๆตัวนักแก้ทุกข์ก็จึงเป็นนักที่เป็นคนซื่อตรงซื่อตรงต่อใจซื่อตรงต่อความรู้สึกแต่ไม่ใช่ซื่อบื้อไงเป็นคนซื่อตรงเห็นผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกทุกข์ก็ว่าทุกข์ สุขก็ว่าสุขแต่ไม่ใช่ซื่อบือ้อต้องเป็นคนซื่อตรงที่จะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าซื่อบือ้อเนี่มันเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้แล้วก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ทุกข์ทุก็กกไปอีกแล้วก็ไม่เห็นทางออกจากทุกข์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่นักหลบแล้วก็ไม่ใช่คนที่ ยอดท้อกลัวความทุกข์เป็นคนที่เผชิญหน้ากับความทุกข์ได้ดีมีทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ฉันแก้ได้จะมีเท่าไหร่ฉันก็แก้ได้ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าไว้ว่ามีทุกข์พอไปถึงจุดหนึ่งทุกหมดไปทุกไม่มีอีกอย่างนั้นมันก็กลายเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งที่ไม่รู้สีรู้สาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรไม่ใช่ ตราบใดที่มันยังมีหูมันก็ต้องได้ยินใช่ไหมสิ่งที่มันได้ยินมันก็ต้องมีทั้งสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละแต่พอมันไม่ชอบใจแล้วเราจะปล่อยวางมันเราก็ต้องเห็นถึงมันเป็นเรื่องไม่มีสาระแก่นสารอะไรถ้าเรายึดไว้เอาใจใส่กับมันมากมันก็เป็นทุกข์ในใจเราจะไปใส่ใจให้มันทุกข์ทำไมถ้ามันเห็นอย่างนั้นเราก็เอาใจเราไปอยู่เรื่องอื่น มันมีตามันก็ต้องเห็นสิ่งที่เราชอบเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องปกติมันมีความคิดนึกมันห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่คิดนึกหรือให้เราคิดนึกแต่เรื่องดีโดยถ่ายเดียวเราไม่ใช่หรอกธรรมาชาติความคิดถ้าเราควบคุมมันได้ขนาดนั้นเนี่ยคำว่าอนัตตามันก็ไม่เจ๋งละ แต่คำว่าอนัตตาเนี่ยมันมันเจ๋งเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันควบคุมไม่ได้หรอกควบคุมให้มันคิดอย่างนี้โดยถ่ายเดียวไม่ได้ควบคุมให้ไม่คิดเลยก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้ามันคิดแล้วเราไม่ต่อมันหรือเอาใจของเราออกห่างจากความคิดอันนั้นไม่ให้ความคิดอันนั้น มันมีอำนาจมาครอบงำชักจูงนำพาจิตใจของเราไปให้ไปคิดต่อให้ไปพูดให้ไปทำโดยอำนาจของความคิดนั้นๆสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเท่าทันไหมและเราเห็นไหมว่าไม่ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังหรือแม้กระทั่งความคิดของเราเนี่ยมันมีอำนาจต่อจิตใจมันครอบงำจิตใจเราอยู่ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็สลัดมันออกก็ทำเหมือนอย่างที่เราทำนี่แหละไม่ได้ใส่ใจความคิดไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เราได้ยินเราก็ย้อนใจเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจมีสติอยู่เฉพาะหน้าเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นใจเห็นความคิด ซึ่งความคิดก็ดีอารมณ์ในใจก็ดีมันก็ไม่ได้มีอำนาจมาครอบงำจิตใจของเราพะจิตใจของเราก็ฝากไว้ที่สติอยู่กับจมพ์หน้าที่ลมหายใจมันจะต่างกันนะต่างกันตรงที่ว่าเวลาคนที่เป็นนักหลบเนี่ยมันไม่สนใจอะไรแหละ มันวิ่งหนีอย่างเดียววิ่งหนีมาที่ลมหายใจเหมือนกันเออะอะไรรู้ว่ามันมีเรื่องมาแล้วฉันไม่รู้แหละฉันไม่เอาทุกอย่างฉันไม่เอาสักอย่างฉันจะกอดอยู่กับแต่ลมหายใจเอาไว้อันนี้เขาเรียกนักหลบนักหลบนักหล บ, ลบมันหลบอย่างเดียวแต่ไม่ใช่นักสู้ไม่ใช่นักรบนักรบคือเขาก็เห็นนั่นแหละ เขาไม่ได้ฝากฝังฝากความเป็นตัวตนเอาไว้ที่อันนี้ไม่ใช่ว่าฝากไว้กับที่ลมหายใจแล้วทุกอย่างมันจะแก้ได้แก้ทุกได้ไม่ใช่ปฏิเสธความทุกข์เพื่อที่จะมาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเรายังไม่เข้าใจมันเลยแล้วก็หนีมันมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็นักหลบไง แต่การที่เรามีสติอยู่เฉพาะหน้าที่ลมหายใจนี่แหละแล้วเราก็เห็นเราไม่ได้ผูกใจหรือพูดง่ายปิดหูปิดตาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เราอยู่กับลมหายใจก็เป็นเครื่องอยู่เฉยๆเป็นที่อยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็เห็นดูรู้ตามความเป็นจริงน่แหละ ก็ฟังฟังได้ตามปกติเห็นได้ตามปกติแต่ความเป็นเราเนี่ยเราฝากไว้ที่สติที่อยู่กับลมหายใจก็เหมือนเราขึ้นไปบนเชิงเทินนั่นแหละขึ้นไปบนเชิงเทินเ้วคอยดูสารวจดูข่าสศึกมันมาฝั่งไหนเราจะทำยังไงเราก็ไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์อะไร เราก็เห็นว่ามันมีอยู่มันก็เป็นของไม่ดีพอมันเป็นของไม่ดีเราก็ไม่ส่งใจเราไปหาใจเราก็อยู่ที่เครื่องอยู่ตรงนี้ที่ลมหายใจกับสติเฉพาะหน้าของเราเพราะฉะนั้นลมหายใจกับสติเฉพาะหน้ามันจึงเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมที่ต้องทำให้มันแข็งแรงเป็นที่อยู่ของใจถ้าเราไม่มีที่อยู่ ถึงมันจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอารมณ์ภายนอกไม่ดีเข้ามาทางหูทางตาทางความคิดแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเหมือนไฟไหม้อะไฟไหม้บ้านมลนไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนห้องไหนแล้วก็ไม่รู้วิ่งไปทั่วเพราะน้นมันจึงต้องมีที่อยู่ด้วยที่อยู่รู้ว่าถ้ามันมีภัย มีเหตุร้ายเรามาอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่เราจะเข้าไปอยู่แล้วเราก็บริหารจัดการปัญหาต่างๆได้แต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บปิดล็อกแล้วก็ปล่อยให้มันเติมเนินไปแล้วมันจะหายไปไม่ใช่เป็นที่ที่ทำงานที่เราจะมาแก้ทุกตรงนี้ เอ็นทีที่เราอยู่แล้วเราจะสบายเพื่อเราจะมีกําลังมีศักยภาพในการคิดการอ่านเพื่อที่จะแก้ทุกเพื่อที่จะเห็นได้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์กันแน่แล้วทุกข์ที่เรามีเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากตรงไหนมันมาจากภายนอกเท่าไหร่แล้วเราเติมมันเองลองไปอีกเท่าไหร่ เพราะเราจึงต้องฝึกฝึกให้ใจมันคุ้นแต่ไม่ใช่สร้างมันเพื่อเป็นที่หลบแต่สร้างมันเป็นที่ทำงานมันเป็นได้ที่หลบก็ได้มันก็ไม่ต่างจากพวกนักหลบทั้งหลายมีความสุขอยู่ได้ในที่นี้สุดท้ายเราก็โน่นไม่ต่างจากพวก หรือสีที่เขาบำเพ็ญกันแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกอยู่บนพรหมโลกเป็นพรหมกันแต่ถ้าเราอยากไปให้มันไกลกว่านั้นไม่อยากให้เหลือเชื้อของความทุกข์เราต้องเปลี่ยนจากที่หลบอันนี้มาเป็นที่ทำงานมาเป็นที่วิจัยศึกษาปัญหาศึกษาวิธีการแก้ปัญหาแต่การที่เราจะเปลี่ยนจากที่หลบไปเป็นที่ทำงาน มันต้องเปลี่ยนที่ใจเราก่อนเปลี่ยนที่กำลังใจเราก่อนต้องให้ใจมันเป็นใจที่กล้ามีวิริยะนะความกล้านะความกล้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความทุกข์มีความกล้าที่จะลุยกับความทุกข์เพราะไม่มีความกล้าความกลัวมันก็ลดลงไป เราจึงเข้าไปแก้ปัญหามันได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญก็คือเราแก้ทุกเนี่ยเราไม่ได้แก้ทุกจากการที่เราหลับตาแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรเราไม่ได้ยินอะไรไม่ใช่แต่เราแก้ทุกจากตอนที่เราลืมตานี่แหละตอนที่เราได้ยินนี่แหละเพราะทุกมันมันไม่รอ มันไม่รอนะมันมีอยู่ทุกขณะนั่นแหละแล้วมันก็ชอบมาเล่นงานตอนเราเปิดตาเปิดหูอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเท่าทันมันตอนที่เราลืมตาอยู่ได้ยินอยู่อย่างงี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เรามีความสงบใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นด้วยสําหรับที่จะเอาไปเป็น พื้นฐานเป็นกำลังที่เราจะเอาไปพิจารณามองเห็นสิ่งต่างๆให้มันเข้าใจได้อย่างที่มันเป็นเข้าใจอย่างตามความเป็นจริงของมันเข้าใจอย่างที่มันเป็นเข้าใจได้อย่างตามความเป็นจริงมันจึงเห็นถึงความไม่มีแก่นสารของมันได้แต่ถ้าใจเราไม่ส ง, งบระงับยังวุ่นวี่วุ่นวายอยู่นี่ มันก็เป็นเหตุที่ทําให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงได้ลําบากหรือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความสงบใจกับการที่เราไม่คิดเลยเนี่ยมันโคตรเรื่องกันนะความสงบใจก็คืออารมณ์ในใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่เราก็คิดได้ดูได้ฟังได้ตามปกติใจเรามันไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟัง อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าคนมีสมาธิมีอารมณ์ตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวอารมณ์ในใจมันไม่หวั่นไหวอารมณ์ในใจมันสงบระงับอยู่ในภายในคิดได้ดูได้ฟังได้ตามปกติแต่ไม่หวั่นไหวไปนในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราคิดนี่แหละขึ้นชื่อว่าผู้มี สมาธิมีความสงบระ ง, งับในใจคนที่มีสภาวะแบบนี้แก้ทุกได้ไม่ต้องเอาไปพูดถึงว่าจะเป็นฌานอะไรหนึ่งสสาสนู่นให้มันมีสิบฌานเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดและขอให้มันมีความสงบใจตุนอยู่อย่างนี้แหละมันแก้ทุกได้แน่นอนมันเห็นตามความเป็นจริงได้แน่นอน เพราะนั้นความสงบใจมันจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กับการที่เราเจะมาเป็นผู้ที่คิดพิจารณาตามความเป็นจริงเพราะนั้นท่านถึงต้องมาหัดทาสมาธิหัดทำความสงบใจนะเพราะว่ามันเป็นบาทเป็นพื้นสำหรับการใครครวนพินิษพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง เราฝึกหัดกันแล้วก็ฝึกทําสมาธิอย่าไปคิดให้มีความสงบเวลาน้อยมันก็ทําได้เท่านี้แหละไปกี่ข้อกี่ข้อมันก็ได้เท่านี้แหละเพราะว่าเวลามันน้อยไงเพราะนั้นมันก็ได้ระดับหนึ่งอะ่ะแต่เราก็ต้องไม่ใช่ว่านี่คือทั้งหมดเราก็ต้องเอามันมาต่อยอดในชีวิตของเราเองเอามาหัดใช้ใช้ให้มันชํานาญ ใช้ในแบบที่เราจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับชีวิตของเราเองแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็เอาสิ่งที่เราประพฤติผลที่ได้ว่ามันเป็นยังไงเอาไปสั่งสนทนากับผู้รู้เราก็ได้ความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นได้รู้ว่าตรงไหน เราควรจะพัฒนาให้มันต่อยอดไปได้อีกตรงไหนเราควรจะเลี้ยวกลับให้มันเข้ามาในทางอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าเกิดไปเข้าคอร์สปฏิบัติเขาหัดทำสมาธิแล้วก็ทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่หัดแก้ทุกข์เลยไม่หัดมองตามความเป็นจริงเลยไม่หัดสังเกตกายสังเกตใจเลย จะไปคุยกี่ครั้งกี่ครั้งกลับไปคุยกี่ครั้งมันก็ได้เท่าเก่านั่นแหละพอเราไม่ได้เราไม่ได้มีการบ้านไปส่งเลยเราไม่ได้เอาไปใช้เลยเราได้ต้นทุนมาเท่าไหร่เราไม่ได้พัฒนาต้นทุนนี้มันเป็นดอกเป็นผลเลยพอเอามาส่งอา้าวก็มีเงินเท่าเดิมก็มีต้นทุนเท่าเดิมจะไปลงทุนเพิ่มเติมยังไงก็พูดไม่ได้พูดไม่ถูก เพน้นอกจากคิดพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละที่มันจะใช้แก้ทุกข์แล้วเนี่ยความสงบใจที่เราคอยหมั่นฝึกนี่แหละก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันแต่ไม่ว่าจะเป็นความสงบใจหรือการที่เราจะใคร่ครวนตามความเป็นจริงเนี่ยที่ทํางานมันก็อยู่ที่เดิมก็ที่สติเฉพาะหน้านี่เลยเพราะฉะนั้น มีสติคอยดึงใจกลับมาไว้ตรงนี้ไม่ว่าสมถะวิปัสสนามันก็อยู่ตรงนี้ดึงใจมาอยู่ตรงนี้ให้ได้บ่อยๆ